สำหรับแนะมัดต่างๆที่เราได้รับจากพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เป็นบรารักัสมนุษย์ทุกคนนะครับก็มีเวลาที่เท่ากันในแต่ละวันแต่บางคนก็ใช้เวลาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับเขาบางคนก็ใช้เวลาเกิดประโยชน์บ้างเพราะฉะนั้น เราความสําคัญของมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครมีเวลามากกว่ากันความสําคัญของมันก็คือว่าเวลาของเราของใครที่เป็นบารักัดมากกว่ากันอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นขอด้อาอนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัตตะอัลาให้ชีวิตของเราเวลาของเราที่มีชีวิตอยู่เป็นบารักัดด้วยอ ะ, อะไรนะมันมีดวอาทิตย์บอกว่ายัางไงนะ ว่าจ okay. ا ทำให้ชีวิตเราเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นความดีโอ้พระเจ้าขอให้ชีวิตของเราเป็นการเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นความดี واسلح وأ لنا آخرة التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله ดิโปรตปรับปรุงศาสนาของเราอัลลอฮฺม์อาสลิ لنا ดีน่าเนีอัลลอฮฺ تعالى ปรับปรุงศาสนาของเราที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตของเรา อัลหลนาดุยนและขอให้พระองค์ Allah ปรับปรุงดุนยของเราอัลหลนาดุยนัลที่นดุยที่เราต้องมีชีวิตอยู่ะขอัลหลนาอครตนัลี و, و, ر ر و. و ن ขอให้พระองค์นั้นทรงปรับปรุงอัครของเราซึ่งเราจะกลับไป ขอให้การมีชีวิตของเรานั้นเป็นการเพิ่มพูนความดีและเมื่อไรก็ตามที่เราต้องตายขอให้ความตายนั้นเป็นรา่าัจันแลนะมิงคุลิชัขอให้เป็นที่พักผ่อนจากความชั่วมาชะอัลลอฮ์ดังนั้นชีวิตถ้าเป็นการเพิ่มพูนความดีเป็นเวลาที่บรักัตแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ยิ่งแก่ยิ่งมีแต่ความชั่วตายดีกว่าไหม ฮะ سبحان Allah นั่นแหล ะ, อะรอความตายบางทีมันไม่ได้น่ากลัวมากไปกว่าการมีชีวิตถ้าหากว่ามีชีวิตแล้วยิ่งแย่ความตายได้พักผ่อนจากสิ่งแย่ๆแต่ไม่ได้บอกว่าให้ฆ่าตัวตายนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเออพอเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตแล้วก็เอามาฆ่าตัวตายอย่างนี้ไม่ได้กลัวว่าจะมีแบบนี้ด้วย ยุคโลกยุคนี้มีเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มีการสถิติการฆ่าตัวตายนี่น่ากลัวมากคนมันเครียดจากหลายๆเรื่องนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ฆ่าตัวตายแบบผู้ใหญ่เครียดเรื่องเศรษฐกิจเครียดเรื่องนู่นนี่นั่นของผู้ใหญ่ไปจํานวนเด็กที่ฆ่าตัวตายก็มีไม่น้อยเด็กที่ฆ่าตัวตาย หรือพยายามที่จะฆ่าตัวตายสถิติในแต่ละปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากนะครับถ้าเราลองหาดูเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสตาลสอนท่านนาบีตรบียะท่านนาบีและท่านนาบีก็มาสอนเราต่อใหเรามีชีวิตอยู่ซยดฟิกุลคยเพิ่มความดีชีวิตต้องอยู่ด้วยการเพิ่มความดีทุกวัน และถ้าเมื่อจาเป็นต้องตายขอให้เป็นการพักผ่อนจากสิ่งที่เราไม่ปรารถนาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตจะทำอย่างไรให้มันเป็นการเพิ่มความดีส่วนความตายควรที่จะกลัวมันไหมถ้าหากว่าถ้ า, าว่ามันเป็นไม่ต้องกลัวความตายแต่ต้องเตรียมตัวมากกว่าน ะ, ะต้องเตรียมตัวว่า จะเตรียมอะไรเพราะว่ายังไงยังไงเราก็ต้องเจอต้องเจอกับความตายไม่มีใครที่สามารถจะหลีกหนีมันพ้นได้อ่ะวันนี้อายัที่เท่าไหร่ครับต่อจากรอบที่แล้ว54อ่า54แล้วโอ้กลุ่มอายัดนี้มันยาวมากนะครับ54 55 56 5ี่ห้าห้าห้าเด้าดห้าเนี่ยเขาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวเดีย๋ยวเราอ่านสัก ออายัตมันยาวเนาะแบ่งค ร, รึ่งทันไหมแบ่งครึ่งก็ไม่น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่านสักสองอายัดก่อนมันยาวๆนะ أعوذ بالله م ั الشيطان ا ل ر ج ีม ولقد صرفنا في ِ هذا القرآن ُ ل ِ ل ن ا س من كل م ث َ ل وكان الإنسان أكثر شيء َ شي جدلا وما من الناس أي ُ ؤ م ن إِذ เจ้ามุ่งหัว و จวิสต่อฟิรูรับบ ت ะต ي ะหัมซุน أ ์ทัลอวลินหรือจะตีะหัมซุ 2องอายก่อนนะครับฮันสบี่สบหจากสุรทตุลกะฮิฟครั้งที่แล้วเป็นเรื่องราวของชัยตอนทั้งสองตอนเลยสองตอนที่ผ่านมานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮวตาลาเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งสรุปนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของชัยตอนที่จะมา ขัดขวางเราบนเส้นทางที่เราจะเดินทางกลับไปสู่อัฟเราะหแน่นอนว่าการต่อสู้กับชชยตอนนั้นเป็นอะไรที่ไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าอ่า จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปดังนั้นจึงต้องเตรียมในฐานะผู้ศรัทธาเราต้องเตรียมอะไรบ้างที่เป็นเสบียงสำหรับการต่อสู้กับชัยตอนนี่แหละครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่า ولا قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال พระองค์บอกว่าแท้จริงแล้วพระองค์สาบานเลยนะครับวะลกดเวลาที่เราเห็นคำว่าวะลกดขึ้นต้นแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการตะกีดหรือการยำ้ำหรือการสาบานนั่นเองแท้จริงเราต้องแปลว่าอย่างนั้นแท้จริงแล้วเรรฟนาฟีฮะดะลุุราน รร ف นัเนี่ยมาจากคำว่ า, วาทศ ร, รออทยยีว่าแลวเราคดคัดคัดคัดคดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดควดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัี่ัคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคังคัดคัันคัดคัดคััดคัดคัดคัดคัดคัดคัดคัยคังไั แยกย่อยให้เราเข้าใจทั้งหมดในคำพีของพระองค์เนี่ยในอัลกุรในคำพีของพระองค์ในอัลกุรอานเล่มนี้ลินนัสสำหรับมนุษย์สาหรับมนุษยชาติมิงคุลิมาัลจากทุกทกสิ่งที่เป็นประโยชน์อัลมาล โอ้อยอันนี้ต้องอธิบายยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องอธิบายอันดับแรกเลยก็คือสรอฟนะเราบอกแล้วเมื่อกี้สรฟก็คืออธิบายเรื่องยากๆให้ง่ายด้วยการอะไรนะเขาเรียกแยกย่อยและก็อธิบายหลายๆครั้ง เ, เวลาที่เราผ่าน อะไรนะเรื่องราวของนรกของสวรรค์เราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่สุรษเดียวตรงนี้สุรษนี้พระองค์อธิบายเรื่องสวรรค์ไปแล้วพออีกที่หนึง่งก็อธิบายเรื่องสวรรค์ต่อตรงนี้สุรษนี้อธิบายเรื่องนรกไปแล้วแต่ทำไมต้องอธิบายเรื่องนรกอีกที่หนึ่งด้วยในสุรษ อ, อื่นด้วยเพราะว่า มันมีมิติในการอธิบายที่แตกต่างกันหรือข้อมูลที่จะอธิบายในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงใช้คำว่าสรฟนาในนี้เข า, าเขาเชฟซาดีอธิบายว่าอยา ง, งีงนะครับยุขบิรุลลาห تعالى عنعظمة القرآن وجلالته و و م ه ว่าหนูซึ่งรับฟังในสิ่งที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาขาพูดที่เขาพู่ขาพูดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาพที่เขาพมดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เขาพูดที่เาพูดที่เขาพที่เขา่าพที่เขาพูดที่เขาพูดทเขี่าเาาเี่าีา่า การเปรียบเปยการอุปมาอุปไมยการยกอุทาหรณ์อันนี้คือความหมายเดิมของคําว่ามัสนแต่ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การอุปมาอุปไมยเท่านั้นแต่หมายถึงทุกทุกมิ่งุลที่ตระยมูซิลอิลลอุลุลม น, นาฟีะ والسعادة الأب ดิยา وكل طريق وكل طريق ยักษ์มุ่งจากความชั่วร้ายและความหลับความหมายก็คือทุกๆเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ความรู้ที่ให้ประโยชน์ความสุขที่ถาวรและเส้นทางที่จะป้องกันเราจากความไหยนะ นี่คือหน้าที่ของอัลกุรอานุลกครีมนะครับอะไรที่เป็นความรู้ที่ให้ประโยชน์เราก็จะเห็นในอัลกุรอานไม่ใช่เฉพาะการเปรียบเทียบเท่านั้นอัสซาดะติลอบดี ah, ความสุขที่ถาวรแน่นอนนะครับในสวรรค์นเนี่ยไม่มีทางที่เราจะกลับไปสู่สวรรค์ได้หากเราไม่ใช้เส้นทางที่อัลลอฮสุบฮานตาะอลลอธิบายในคำพีของพระองค์รวมถึง و ่าทุกที่ยักษ์ซมูจากความชัอัลกุรอานก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เรานั้นเจอกับความหายนะทั้งในโลกดุนและในวันอัครานี่คืออัลกุรอานุลแกริมซันซันว่าาดั้งสร้นั้นที่อัลกุรอานมิ่งุลิมาเซลอะไรคือมาเซลความรู้ที่ให้ประโยชน์สิ่งที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ สิ่งที่จะป้องกันเราจากนรกมันจะเป็นอะไรก็เถอะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในคำพีของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ถ้าเราจะอธิบายคำว่ามัซัลในรูปแบบกว้างๆแต่ถ้าเราจะอธิบายคำว่ามัซัลตามรักท์ของมันตามความหมายแบบตามตัวของมันเนี่ยหมายถึงการอุปมาอุปไมคการเปรียบเปรยเราก็จะเห็นว่าในอัลกุรอานมีเรื่องแบบนี้เยอะอัลลแตละเปรียบเทียบ เรื่องราวบางอย่างอธิบายบางทีการยกตัวการยกตัวอย่างการยกคำพังเพยสุภาษิตคาพังเพยนี้มันมีไว้ทำไมแม้กระทั่งในภาษาไทยเนี่ยมันมีไว้ทำไมเรื่องยา ว, ย า, วยา ก, ยากเราอธิบายสั้นๆเข้าใจเลยนี่คือหน้าที่ของสุภาษิตคำพังเพยสมมุติเราบอกว่าไอ้นี่เหมือนกิ้งกาได้ทองเข้าใจไหคือไม่ต้องอธิบายยาวรู้แหละว่า คนคนี้มีนิสัยยังไงเพราะเรารู้แล้วว่าคําว่ากิ้งกาได้ทองมันคืออะไรไอ้นี่เหมือนอะไรนะเชา่านากับงูเหา่าเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าชาวนากับอุ้มงูเห่าเนี่ยเขาเขาเปรียบเทียบเรื่องอะไรดังนั้นในอัลกุรอานอุกกาเร็มเนื่องจากเราตราลารู้ว่ามนุษย์ชอบเรื่องแบบนี้การใช้ชีวิตของมนุษย์เองบางทีมันก็เรื่องมีเรื่องแบบนี้ชาวอาหรับเองก็มีชาวอาหรับเองก็มี อย่างเช่นสุภาษิตในภาษาอาหรับก็บอกบาลาโกไซลูซูบาน้ําท่วมเนินเขาเสียแล้วอันนี้เป็นสุภาษิตอาหรับหมายความว่าอะไรน้ําท่วมภูเขาหมายความว่าสายไปเสียแล้วตอนที่น้ํายังไม่ท่วมเนี่ยรีดจัดการเสียแต่พอน้ํามันท่วมแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นสุภาษิตอาหรับดังนั้นเราจะเห็น การใช้สำนวนหรือวิธีแบบนี้ในการอธิบายในคมภีของอัลล์สุต่านเนี่ยอัลลอฮ์ตาบอกว่าวะลิลลฮิลมาซัลุลอาลาการเปรียบเปรยการอุปมาของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่อุปมาอุปไมแบบเราเราท่านท่านที่เป็นมนุษย์ที่เป็นมักลูการอุปมาอุปมาของอัลล์าเนี่ยเป็นอัลมาซลุลอาลาแต่ละอย่างที่พระองค์ใช้เปรียบเปรยเนี่ยเป็นอะไรที่สูงส่งแล้วพระองค์ก็ไม่เอออินนัลลอฮะลาอิสต์ถีอันยัดริบะมัซแล บางอุตตันฟะ ม, มาฟววาอุกฮพอะตัลายกอุทาห์อนในคำพีของพระองค์บางครั้งพระองค์ยกกับยุงพูกมุชลิกินก็เลยมาพูดเยอะอะไรวะโอะคำพีอัลกุรอานมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือคือมองว่าไอการอุปมาอุปไมเป็นเรื่องอะไรเป็นเหมือนกับเรื่องตลาดอะเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวตลาดมันไม่น่าจะอยู่ในคำพีสูงส่งอะไรขนาดนี้ อัลลอฮฺตะลาก็เลยตอบโต้พวกมิชล ah ิกินว่าอัลลอฮฺตะลาไม่ละอายไม่อายไม่อายที่จะยกอุทาหรณ์กับยุ่งหรือที่ใหญ่กว่ายุ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสุรทุลอังกับูตอัลลอฮฺตะลายกอุทาหรณ์กับอัลอังกับูตหมายถึงอะไรแมงมุมมัสลุลละดีน่าอะไรนะ มสลลับตุตดัตบมลลีัดดูนิลลาฮอาออเลยมสลลับตุตดัตบใช่ไหมอ่าเปรียบคนที่เอาผู้อื่นมาเป็นอูเลิยซึ่งเราเรียนแล้วที่เกี่ยวกับเชตตอนเนี่ยเหมือนกับคนที่เหมือนกับแมงมุมสร้างบ้านแมงมุมเนี่ย ถ้าเรามาวิเคราะห์เรื่องแมงมุมจากคําว่ามสเซลเนี่ยยกอุทาหรณ์แมงมุมเนี่ยทาไมที่อรรถาลายกอุทาหรณ์คนที่ชิริกกับพระองค์เหมือนกับคนเหมือนกับแมงมุมที่สร้างบ้านลองกลับไปคิดดูเห็นไหมพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บอ่าเข้าใจเลยอ๋อดูแมงมุมบ้านมันตัวมันก็ดูน่ากลัวบางทีเด็กดูแมงมุมแล้วก็กลัวนะไม่ใช่เฉพาะเด็กบางทีผู้ใหญ่ก็กลัวแมงมุมบ้านของมันหนูดูสลับซับซ้อน น่ากลัวมากเลยแต่แข็งแรงไหมบ้านมันไม่แข็งแรงเลยเปรียบเทีย บ, ยบคนที่ชิริกกั บ, Allah, บอัลลอฮฺซุบฮฺะห์นะอัลตลาโอ้ดูน่ากลัวมากโต๊ะบูชาแท่นบูชานี่สีแดงสีเขียวสีเหลืองผูกผ้านู่นนี่นั่นเราเข้าไปดูโอ้ไม่อยากเข้าใกล้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะในความเป็นจริงนี่คือคําว่ามัสสลถ้าแปลาตามตัวของมันแต่ดูจากเสียกหรือ การดําเนินไปของของอายันี้นะของสุราคนี้เนี่ยมันรวมทั้งหมดมันไม่ได้แค่ต้องการความหมายว่าเป็นการเปรียบเปรยการอุ ป, มา อ, ปมาอุปมาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงเหมือนกับที่เชษาอดีบอกนะครับว่าหมายถึงสิ่งที่จะนําเราไปสู่ความรู้ที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทําให้เรากลับไปสู่สวรรค์อันเป็นความสุขอันถาวรและสิ่งที่จะปกป้องเราจากความหายนะหรือนรกในวันอคัคคีรช์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาได้จากที่ไหน คำตอบดีอัลควรมานุลคาริม ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مسألة จำอายะนี้เอาไว้ให้ดีอายะนี้นี่กกำลังจะบอกเราว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราพี่น้องต้องมีกฎต้องมีกฎตั้งกฎไว้เลยในชีวิตใครที่อยากจะมีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานให้จำกฎนี้เอาไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคําถามแรกที่เราต้องถามก็คือว่ามีคําตอบสาหรับปัญหานี้ในอัลกุรอานไหมไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรจะปวดหัวเรื่องอะไรเวลาไหนวันไหนสัปดาห์ไหนปีไหนเรื่องในตัวเองเรื่องสามีภรรยาเรื่องครอบครัว เรื่องสังคมเรื่องญาติพี่น้องเรื่องพักพวกเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยพยายามตั้งคำถามก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้มีคำตอบอยู่ตรงไหน <c oughs> ในคำพีของล่องสุภาทา <c oughs> องตะอะไรก็มีคำตอบอาจจะเป็นคำตอบตรงๆอ่านปุ๊บเข้าใจเลยอันนี้บางทีเราอ่านเองเราก็เข้าใจ หรืออาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ตรงอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าไม่ตรงตอนนี้ไม่เป็ใช่คําตอบที่ผิดไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคําตอบอ้อมๆที่เรามองเราคนธรรมดาไม่มีความรู้อาจจะมองไม่รู้ต้องถามคนที่รู้บางทีเขาจะมีคําตอบให้กับเราเราอ่านอัลกุรอานทั้งทั้งเล่มเราก็มองไม่เจอเพราะเราไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ในอายัดใดอายัดไหนต้องหาคนที่รู้มาบอกเรามาถามเราไปถามเขาว่าเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ มันมีคำตอบในอัลกุรอานอยู่ตรงไหนช่วยหาให้หน่อยใครที่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ได้นี่แหละครับแสดงว่าคนที่ใช้อัลกุรอานจริงๆต้องให้เป็นอย่างนี้นะถ้าใครถามว่าอาจารย์จะเรียนอัลกุรอานถึงไหนถึงนี่แหละเขาถามอยู่เรียนอัลกุรอานไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วจะเรียนไปถึงไหนจนถึงว่าคุณสามารถตอบคําถามทุกอย่างในชีวิตคุณด้วยพระดํารัสของอล็อตสุบฮานาวาลัลลอฮฺ ตราบใดที่ชีวิตคุณยังไม่สามารถหาคําตอบจากอัลกุรอานได้ตราบนั้นคมยังต้องเรียนอัลกุรอานอยู่แสดงว่าคุณยัเรียนยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงต้องเรียนให้ถึงขั้นที่สามารถจะบอกได้ว่าปัญหานี้เอาอายัดนี้มาแก้เพราะว่าถ้าเราเชื่อในพระดํารัสของร้องสวรรค์ตาล่าที่พระองค์บอกในอายัดนี้และในอายัดอื่นๆที่พระองค์พูดถึง ความครอบคลุมของอัลกุรอานเนี่ยแน่นอนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราว่าเราต้องการเอาอัลกุรอานมาเป็นตัวแก้ไขปัญหาของเราไหมไอคนที่บอกว่ารักษาไม่หายสักทีโรคตกลงตัวเองอยากจะรักษาหรือเปล่าอยากเป็นโ อ, อกอยู่แต่ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปรักษาแล้วมันจะหายได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ มันก็เหมือนเราเนี่แหละที่เราบอกเราไม่รู้อัลกุรอานเลยแต่อยากจะรู้อยากจะรู้แต่ไม่ยอมไปถามคนที่รู้หรือไม่ยอมเรียนเองแล้วมันจะรู้หรือเปล่าก็ลักษณะเดียวกันนะคะรับเพราะฉะนั้นนี่คือความชัดเจนว่าทําไมที่มนุษยชาติและพวกเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องศึกษาอัลกุรอานต่อไปอย่างต่อ น, นีนะ้วันนี้เร า, าเรียนสุรัตุลกะฟี่แค่สุรัตเดียวมันยังมีอีกหลายสุรัต แนวสุรักษ์เล็กๆสุรักษ์สั้นๆบางทีเราก็ต้องหามาศึกษามาดูเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่มีคําตอบให้กับชีวิตโดยหาเอามาจากเนื้อหาในอัลกุรอานแสดงว่าเรายังเรายังไม่เข้าใจวิชาชีวิตจริงๆเพราะอัลกุรอานคือวิชาชีวิตคือความรู้ที่อัลลอฮฺสุลต่านส่งลงมาโดยตรงลินเนสให้กับมนุษย์เข้าใจไว้ด้วยลินเนสให้ใครให้มนุษย์อัลกุรอานนี่ให้ใครให้มนุษย์ ยังไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นอ่านไม่มีหรอกอย่างอื่นที่จะมาอ่านอัลกรุรอานถ้าไม่ใช่มนุษย์ถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วใครจะมาอ่านอัลกรุรอานมาเลกัตจะอ่านไหมมาเลกัตก็อาจจะอ่านอัลกรุรอานแต่ไม่รู้ว่าอ่านเพื่ออะไรยังไงแต่ดูดูจากจุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอานแล้วเนี่ยลงมาเพื่อมนุษย์โดยตรงนะครับอยากจะฝากอายัดนี้และก่อเอเดกฏนี้เอาไว้ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราต้องถามเกิดปัญหาอะไรปุ๊บถามเลยว่าเอ๊ะปัญหานี้มีอายักไหนอัลกุรอานที่จะให้คำแนะนำกับเราได้บ้างถ้าเรารู้เองเราหาเองหาหนังสือที่พูดถึงดัชนีอัลกุรอานหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเราไม่รู้ไปหาครูไปหาอาจารย์ถามเลยอาจารย์ถามตรงๆเลยก็ได้อาจารย์ปัญหาเกิดแบบนี้กับฉัน ลองบอกซิว่าอายัอัลกุรอานอายัดไหนที่แก้ปัญหานี้ได้บ้างเจาะจงไปเลยว่าขออายัอัลกุรอานขอยายาที่มันมีสรรพคุณสุดสูงสุดเลยอะไม่ต้องไปเอายาพาราเอาาพ า, าราแก้ทุกโรคไม่ใช่เอายาที่แบบสุดเลยเอาอัลกุรอานก่อนเลยดูซิว่ามีไหมคนที่สามารถให้คําตอบกับพระนะครับ สุขานัลลอฮ์นี่น่าจะเป็นบทเรียนนะครับสำหรับต้นอายันี้อัลกุรอานมีทุกอย่างนะวันเนี่ยเห็นไหมฟะฟีฮิอัมซาล ا ل ฮะลาลิ ل ะลฮาราอัลกุรอานมีสิ่งที่จะมาบอกเราว่าอันไหนฮะลาลอันไหนฮารามวเจ زة ุลอาแมนการประพฤติของเราอัลลอฮจะตอบแทนอะไรอัตรรีบวัตรีบการสนับสนุนการปลุกเร้าให้เราทาอะไรการห้ามไม่ให้เราทาอะไร والأخبار الصادقة أن ال في ه ل ل ق ل و ب เรื่องราวของคนสมัยก่อนพอเราได้ยินแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจให้กับเราใช่ไหมฮะเวลาที่เราฟังเรื่องท่านนบีอาดัมเราฟังเรื่องนบีท่านนาบีนูเราฟังเรื่องท่านนาบีอิบรออีนเราฟังเรื่องท่านนาบีมูซานาบีอิสฮเกิดแรงบันดาลใจให้กับเราไหมทั้งหมดนี้อยู่ไหนอยู่ในกุรอานอัติขาดันเรื่องความเชื่อตูมานีเนตันวานูรัน وهذا و ت ل ق ي ه ب ا ل ن ق ي ا د والطاع وعدم ا ل م ن ا ز ع له เมื่อเรารู้แล้วว่าอัรนมันเป็นคุณลักษณะอย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือยอมรับอย่าไปค้านมันอย่าไปโต้ตอบอย่าไปมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับอัลกุรอานนี่คือความเป็นจริงควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ ความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นยังไงอัลกุรอานบอกอย่างนี้อัลกุรอานบอกววามันไปทางซ้ายอัลกุรอานบอกข้างบนอบอกว่าอย่างไงอยู่ทุกที่ก็ว่าไปอันนี้คืออยู่ตรงกันข้ามกับอัลกุรอานอุลกิริน Allah ตรัสจึงบอกว่าวกันอินซานอัก ثر شيء جدلًا นี่คือจุดอ่อน ของมนุษย์เอากฎอานบอกจุดอ่อนของมนุษย์ด้วยนะเรารู้จุดอ่อนของเราหรือเปล่าหนึ่งในจำนวนจุดอ่อนที่เราตะลาพูดถึงไม่ใช่แค่จุดอ่อนนี้จุดอ่อนเดียวมีอีกหลายจุดอ่อนที่เราตะลาบอกกับเราแต่ตรงนี้พระองค์กําลังบอกเราว่ามนุษย์มีจุดอ่อนเรื่องหนึ่งก็คือชอบเถียงว่าการอ ل إ ن س ا ن أكثر شيء جدل ส่วนมากมนุษย์ชอบที่จะเถียงกันชอบเถียงจริงหรือเปล่าอ่ะเถียงไว้ก่อนจะถูกผิดไม่รู้เถียงไว้ก่อนอันนี้อย่าให้มันเป็นนิสัยเริ่มต้นของเราคนชอบเถียงในฮะดิษสงท่านนบีสล่านละวะสัลลัมเนี่ยท่านานบีถึงกับบอกว่าอัลลอฮฺตรัสถรัประกันบ้าน ที่อยู่กลางสวรรค์ใช่ไหมครับสำหรับคนที่งดหรือหลีกเลี่ยงการโต้เถียงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามขนาดนั้นเลยทำไมครับทำไมที่อัลลอลาไม่ต้องการให้เราเถียงเยอะอินนัชชัยตอนเกี่ยวกับชัยตอนอีกล้ะ ว่ากลับ عباد ีกล่าวว่าที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่จี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่าี่ที่ที่ที่ที่ทีที่ที่ที่ที่าี่ทีที่จะ่ทีเที่ที่ที่ที่ทีาที่ที่นี่ที่ที่ที่ที่ทห่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ทที่ที่ทที่ีที่ วพราอะไรอินนันชัยตอนยันซาอูไบาน่าเพราะว่าถ้ามันใช้คำพูดที่มันหนักๆนักแรงแรงคำพูดที่มันเสียดสีกันเนี่ยชัยตอนจะมาแทรกได้ไสุดยอดลรอนี่คือจัดแล้จุดนันการโต้เถียงการโต้เถียงเนี่ยเป็นสิ่งที่อลัลกุรอานตำหนินะอลัลมุจาดละถ้าจะโต้เถียงจริงๆ ห้ามโต้เถียงเป็นค่าเริ่มตน้นเริ่มต้นขึ้นมาก็จะเถียงละมีข้อยกเว้นว่าถ้าจำเป็นจริงๆที่จะตอบโต้หรือ จ, จะเถียงกันเนี่ยข้อยกเว้นของมันก็คืออิลลับิลลัตีฮียะอัพซับวะลาตูจัดิลูอัฮล์ล์ิทับอิลลับิลลัตีฮียะอัพซับ อย่าโต้เถียงกับชาวคัมพีนอกจากด้วยการโต้เถียงที่ดีกว่าต้องมีมาตรฐานมาตรฐานการโต้เถียงก็คือ ISO ของเราต้องสูงกว่า ISO ของเขายังไงอ่านี้เราค่อยพูดแต่จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นนิสัยเป็นสันดานส่วนใหญ่แล้ว เป็นพวกที่ชอบโต้เถียงสังเกตไหมเวลาที่เรามีความรู้สึกเฮ้ยเราถูกอะ่ะเพื่อนมาเนี่ยเรานี่อยู่ไม่ได้ลเ้ว อ, อยากจะพูดเพื่อนยังพูดไม่ทันจบเราอยากเราอยากจะเอาละอันนี้เป็นนิสัยของเราต้องฝึกพวกฝรั่งนี่เขาฝึกนะเขามีวิชานี้โดยเฉพาวะวิชาใดหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปคุยกับคนที่แบบเขาจะนิ่ง ฟังเราจนกระทั่งเราพูดจบเสร็จไม่นใช่เฉพาะพวกฝรัง่งแม้กระทั่งในอิสลามเองมีวิชานี้เช่นเดียวกันเราเรียกวิชานี้ว่าอัลมุนาร์ซาระวิชาว่าด้วยการอัลมุนาร์ซาระไม่ถึงการอะไรอัลเบสวัลมุนาร์ซาระการถกเถียงกันในเในเชิงวิชาการมีด้วยแล้วเหมือนมีกฎมีกออิด้าเหมือนวิชานฮูเลยนะ มืนวิชาวิยากรภาษาวยากรเลยเวลาที่เขาพูดอย่างนี้มาเราจะตั้งรับอย่างไรมีกฎมีข้อยด้าด้วยเพราะฉะนั้นการโต้เถียงที่ไม่มีรูปแบบไม่มีแกนสารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะลงเอยด้วยผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีดังนั้นเวลาที่จะสนทนาในรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมการจะต้องมีคนกลางจะต้องมีโอยหลายเรื่องหลายราว ดังนั้นต้องระวังด้วยจุดอ่อนนี้เป็นจุดอ่อนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจาเพาะเจาะจงกับคนบางกลุ่มคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราก็ต้องระวังเพราะเป็นนิสัยเดิมของเราคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นโตครูคนที่เป็นอาจารย์คนที่อ้างว่ามีความรู้เองก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาคนรู้ คนที่มีความรู้ต่างคนต่างมีความรู้เนี่ยบางทีอาจจะหนักกว่าคนที่ไม่มีความรู้ได้ซ้ำเพราะต่างคนต่างอ้างว่ามีความรู้นะในอายันี้เนี่ยที่ a l l a บอกว่า وكان الإنسان أكثر شيء ج د ل ًไม่ถึงบรรดามนุษย์เนี่ยชอบที่จะตรงกันข้ามกับอัลกุรอานโดยเฉพาะอะไรเอ่ยโดยเฉพาะบรรดามุชริม ถ้าอยากจะดูตัวอย่างของคนที่เป็นปฏิปักษ์กับอัลกุรอานอย่างชัดเจนก็คือให้ดูที่พวกมุสลิกินก่อนเป็นหลักมาดูคำพูดของอมิโลแกซีสหน่อย al-jadal al-muradu bil-insan al-jins wajdhuul wajdhuul f دخولا أوليا อ่นี่มีฮะดีสยกตัวอย่างด้วยหะดีษนี้รายงานจากอาลีเป็นอบดุอลิบมีอุครั่งหนึ่งท่านน บ, บี ل ุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันรอสูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺสัลลัมตรักอาลีและฟาติมาเล يلة ฟะลท่านน บ, บีไ ป, บนไปปลุกให้ลุกขึ้นมาแล้วมามงชาอัลลอฮ เป็นพ่อตาที่น่ารักมากนะครับปลุกลูกเคยให้ลุกขึ้นมาละหมาดแต่หยุดกลางคื น, <laughs> น, นอาลาัลลอฮ์อ่าอัลลอฮ์ทูลสลียันฟักุลตุยาร س و ل อัลลอฮ์อินมะอันฟุสุนาบียัดิลลาท่านอาลีก็เลยตอบว่ายาร س و ل อัลลอฮ์ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในมือของอัลลอฮ์ <laughs> ลูกเคยตอบพ่อตาเนาะ <laughs> กล้าไหมเราพูดตอบพ่อตาอย่างนี้ นี่ท่าน阿ตอบเราะตาเหมือนกับอาจจะเป็นการหยอกล้อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฟะอิซาชะอันยาบาสนาบาสนาถ้าอัลลอะฺตลาต้องการให้เราตื่นเราก็ตื่นอันนี้คำพูดของลูกเขยฟังซาราะท่านนบีก็เลยหันไปไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ดุด่าอะไรนะเพราะตาก็ไม่ได้ดุด่าอะไรลูกเขยเดีวพอลูกเขยตอบอย่างนี้ก็ออฟัซราะฮีนกุลทุซาลิก “วَ ل ไม่รับฟัง”แล้วก็ตอบวไม่รั้วก็อบไมรับฟัง”แล้วก็ตอบว่า“ไม่รับฟัง”แล้วก็ตอบว่า“ไม่รับฟั ب แล้วก็ตอบว่า“ไม่รับฟัง”แล้วก็ตอบว่า“ไม่รับฟัง”แล้วก็ตอบ่า“ไมบฟก็ตับฟล้บไมับแล้วก็ตบวไบแล้วกตัวตอัง”แล้วก็อ่า“ง”แล้วอ่า“ไ้อบว่า“ ا ม่รับฟัง” มนุษย์นี่ชอบเถียงมนุษย์นี่ชอบเถียงนี่เป็นตัวอย่างนะครับนรักนรกที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีสุลต่ามที่จะอธิบายอายัดนี้สุภานัลนแหละเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับกับทุกคนเพราะฉะนั้นจุดอ่อนเนี่ยสำคัญที่ต้องรู้ทําไมที่เราต้องต้องรู้จุดอ่อนจุดอ่อนของเราเองเพราะฉะได้อุดไม่ให้ชัยตอนเข้ามาเนีย่ยชัยตอนอาจจะใช้จุดนี้ จุดที่เรามีสันดาลมีนิสัยชอบโต้เถียงเนี่ยอ่ะจับจุดนี้เวลาที่เราคุยกับพรกพวกเวลาที่เราคุยเรื่องอะไรสักอย่างนึ่งเวลาที่เราประชุมกันเวลาที่เราหารืออะไรกันโอ้มันขึ้นมาจุดอ่อนนี้ของเราพังละชัยตอนมันจับจุดอ่อนของเราได้การรู้จุดอ่อนจึงสําคัญด้วยประการชนิดนั้นะประการชนี้ก็คือป้องกันตัวเองและอีกหลายๆจุดอ่อนเยอะแล้วที่เร า, าพูดถึงในคำพิธีของพระองค์นะครับสุภานัลลอฮ์ทีนี้ อา ayat papai เอาให้จบอีกนึง ayat ว่ามา mana a sa an i d a อัลกุรอาน่ถกยงแต่มนุษย์ก็พยายามที่จะโตกับอัลกุรอานพยายามที่จะไม่เอาอัลกุรอานพยายามที่จะปฏิเสธอัลกุรอานเนี่ยเาะได้บอกเพราะอะไรวามาน a n a a ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเหตุขัดขวางมนุษย์ให้สัตธาต่าอัลลอ์ เมื่อทาง น, นำได้มาหาเขาแล้ววายสเตอรฟิรูระบบฮอมแล้วก็ให้พวกเขานี่อิสติฟารขออภัยโทษต่อ Allah เนี่ยไม่มีเหตุอันใดเลยที่จะมาห้ามพวกเขามีปัจจัยอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้คนคนหนึ่งไม่ยอมศรัทธา ท, ทั้งทั้งที่สมมตินะมุชริกีนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนาบีเนี่ยถ้าถามว่า ทำไมอบุลฮับไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีไม่รู้อัลกุรอานหรือรู้แล้วท่านนาบีอ่านอัลกุรอานให้ฟังละเหตุเพราะอะไรมีเหตุเดียวเท่านั้นก็คือต้องการพิสูจน์ความจริงแบบเห็นจะจะอิลลัอันแทอติยุมสุนนตุลอวลีเหตุที่ขัดขวางพวกเขาไม่ยอมให้ศรัทธาไม่ยอมให้กลับอภัยโทษต่ตอลสมารตาก็คือ นอกจากต้องการเห็นอะไรนะเขาเรียกซุนนุตุลอวารีนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคนรุ่นก่อนๆมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้คนเหล่านี้ศรัทธาต่อเราได้ก็คือให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เคยเกิดในสมัยนบีนุหรือสมัยนบีฮูดหรือสมัยนบีซาลห์หรือสมัย น, บ, ยนบีมูซา หรือสมัยนบีก่อนๆ น, นบีลูดไม่มีแล้วอย่างอื่นอัลกุรอานชัดแล้วจะไปตอบโต้กับอัลกุรอานก็ตอบโต้ไม่ได้ละโต้ไหมพวกนี้โต้กับอัลกุรอานไหมโต้ตั้งแต่วันแรกก็ตอบโต้กับอัลกุรอานแต่แพ้มาแพ้ทุกยกมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้คนเหล่านี้ศรัทธาได้ก็คือน้ําท่วมเหมือนสมัยนบีนูดหรือพลิกแผ่นดินเหมือนสมัยนบีลูด หรือพายุทรายเหมือนสมัยนบีพูดหรือเสียงกำปนาดเหมือนสมัยนบีซ่อลห์ซึ่งประชาชาติก่อนหน้านี้เวลาที่ไม่ศรัทธาต่อบรรด า, นนาอัลลอฮ์ละก็จะสมบุลงโทษลงมาอย่างนี้แต่ในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมท่านนาบีขอจากอัลลอฮ์ว่าไม่ให้ลงมาเราจึงไม่เคยเห็นในสมัยของท่านนาบีมีไหมเหตุการณ์ใหญ่ๆที่แบบ ทำลายคนราบเรียบเป็นหน้ากลองทีเดียวเลยเพราะไม่สตาต่อท่านนาบีที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านนาบีเคยขอดูอาไว้ว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับอุมมาของท่านนี่เป็นเนตหมัดอย่างหนึ่งของประชาชาติยุคสุดท้ายไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยคนสมัยท่านนาบีนี่ก็คือจบไปตั้งนานแล้วนี่คือสาเหตุหรือว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่คนแล้วนี่รอคอย หรือหรือไม่พวกเขาก็ต้องได้เห็นการลงโทษมาปรากฏ ต, ต่อหน้าพวกเขาเสียก่อนนั่นแหละถึงจะเห็นนรกก่อนถึงจะศรัทธาเห็นอาญาอยู่ตอนน้าก่อนถึงจะเป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah, ตอัลลอฮ์ตาวันอาคราเหมือนกับต้องการที่จะบอกว่า คนเหล่านี้จบละปิดฉากละปิดฉากชีวิตตัวเองด้วยการปิดตายหัวใจถึงจะพูดอย่างไรอัลกอานชัดเจนขนาดไหนแต่เนื่องด้วยพวกเขาตั้งต้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอย่างไรยังไงก็ง ไ, งไม่เอามีอยู่สองอย่างเท่านั้นที่จะทำให้คนนี้คนเหล่านี้กลับตัวกลับใจได้ก็คือเมื่อเห็นอาซาบเหมือนคนสมัยก่อน หรือเห็นอาซาบอาจจะไม่เหมือนคนสมัยก่อนแต่เป็นอาซาบใหม่ในยุคของพวกเขาเองอยู่ตอนหน้าต่อตาตอนนั้นแหละจึงจะสำนึกและคิดได้ไม่มีทางที่จะศรัทธาอีกแล้วด้วยความที่เป็นพวกที่ชอบโต้เถียงเป็นพวกที่ตะกบรบยโสโอหังต่อพระคัมภีร์ขอ ง, Allah ขงอัลลอฮ์สุบฮานหัวใจาละ ب ุบฮานัลลอฮ์นะบัล منعهم ا ل ظ والعدوان. นั่นสิ่งที่กีดยวาัพวกเขาไม่ใช่สัต่อทัลกับความเป็นศัตรูความอะไรความอธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขานั่นเองสำหรับยัง بقى ا أن تأتيهم سنة الله وعادته في ا ل أ و ل ي من ه م إذا يؤمنوا ع ج ل ب ا ل ع ذ ا أو ي ر ن العذاب أقبل عليهم อวยยารุเบลละให้มัอ่ะสองอายัดนี้ก่อนนะครับลองกลับไปไตรตรองและคิดดูว่าอัลกุรอานกําลังบอกอะไรเราและถ้าเมื่อเรารู้อัลกุรอานแล้วเข้าใจอัลกุรอานแล้วเรายังจะโต้เถียงกับอัลกุรอานยังจะปฏิเสธอัลกุรอานสุดท้ายระวังให้ดีว่าหัวใจของเราจะไม่เปิดรับอัลกุรอานและสิ่งที่เรารอคอยก็จะไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากการลงโทษ เจ ل า ل َّ ه ُ سبحانه وتعالى ทนนَ والعياذ بالله من ذلك والله تعالى أعلم و ف ق َ الله إياكم لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والصحبة وسلم سبحان ربي كرب العزة بما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات